ฉันทำสมาธิและเดินจงกรมอย่างเห็นคุณค่าของรสสุขทางจิตมากขึ้นทุกทีสุขอื่นเสมอความสงบไม่มีจริงๆ